จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องแก้ปัญหาด้วยสติและปัญญาโดยพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทพิขุปวัดชนรบทานลังสริกป่ปาเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่3มกราคม2542ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการควางปาตกรถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่นั่ง ณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจมแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปีพศ2 5งคือวันที่สามเดือนมกราคมเป็นวันอาทิตย์แรกของปีใหม่ปีใหม่ได้ผ่านได้เหยียบเข้ามาเป็นเวลาสามวันแล้ว ยังผ่านไปอย่างชนิดกลุ่นๆส น, นุกสนานกันพอสมควรได้รับความทุกความเดือดร้อนกันบ้างโดยเฉพาะพวกนักแข่งกี่มอเตอร์ใส่กี่รถยนต์รดรวดเร็วแล้วก็ตายกันไปหลายคน ปีใหม่นี่ตายกันทุกประเทศพวกขี้เมาตายกันเมืองนอกตายมากกว่าบ้านเร า, ารถยนต์มากคนก็มากเลยตายกันตายเฉลองปีใหม่ตายวันปีใหม่นี่ลําบากเพราะว่าสํานักงานป่าชาเขาปิดไม่รับศพ ต้องเก็บศพไว้จนถึงวันพรุ่งนี้เขาจึงจะเปิดทำงานได้รับศพมาเผามาอะไรกันต่อไปมันเป็นเวลาที่ไม่ควรจะตายแต่ว่าตายเพราะความประมาทดื่มมากเกินไปสนุกมากเกินไปส่งปีเก่าอย่างบอบช้ำ มีใหม่มาถึงเมื่อไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นจึงได้เกิดปัญหาการธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกรองจิตใจชีวิตคนเรานั้นต้องอยู่กับธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็เสียหายขาดทุนทุกอย่างเพราะว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรล่อเลี้ยงจิตใจ พูดตามภาษาชาวบ้านว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองรักษาเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อเทพเจ้าก็พูดเป็นติดปากกันมาว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองรักษาเทวดานั่นก็คือตัวธรรมะนั่นเองธรรมะที่เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบนํามาประกาศ เป็นหลักปฏิบัติสำหรับชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอะไรอยู่ในฐานะอย่างไรก็ต้องใช้ธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติตนพอขาดธรรมะก็เสียหายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคม ส่วนของประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันชาติใดประเทศใดมีคนเคร่งรัดในด้านธรรมะประเทศนั้นชาตินั้นก็สงบเยือกเย็นมีความสุขแต่ประเทศใดชาติใดคนขาดธรรมะไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ ไม่นำธรรมะมาเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตก็ย่ยอมจะเกิดปัญหาเกิดจจลาจนวุ่นวายแย่งกันเป็นใหญ่จนกระทั่งล่มจมเสียหายกันไปทั้งชาติทั้งบ้านเมืองอันนี้คือความเสียหายเพราะกาดธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่ลูก มีมาตั้งแต่มีลูกนลูกเกิดเมดื่อใดไม่ต้องไปคิดคิดมันก็ไม่รู้เสียเวลาแต่ให้รู้ว่าเมื่อมีลูกมีสัตว์ตัวลูกก็มีธรรมะมาด้วยมันสำคัญอยู่ที่ว่าคนนี่รู้ธรรมะหรือหรือไม่รู้ธรรมะ ถ้ารู้ธรรมะเห็นคุณค่าของธรรมะนำธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันชีวิตก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระธรรมไม่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็เกิดปัญหา เกิดเกิดความทุกข์เกิดความแปรร้อนใจด้วยประการตา่างๆและมาเกิดปัญหาแล้วก็ไม่รู้จักปัญหาไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรมันเกิดที่ตรงไหนเกิดอย่างไรเราไม่รู้ทางของมันไม่สามารถจะปิดกั้นไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ แลกกับโจรข้ามาในบ้านไม่รู้ว่าโจรข้าวทางไหนเราไม่ได้อุดรูที่โจรข้าวโจรมันก็เข้ามาบ่อยๆลักข้าวลักของให้เราขาดทุนยุบยับแต่ทามาใดเรารู้ว่าโจรข้าวทางช่องไหนรูไหนเราก็อุดมันเสียมันก็ไม่เข้ามาทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไป บรรดาความทุกข์ความแดดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราเองเหตุมันก็อยู่ที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราการแก้ไขก็ต้องแก้ที่ตัวเราถ้าเราไม่แก้ที่ตัวเราไปแก้ที่อื่นมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่า แก้ไม่ถูกจุดเมื่อแก้ไม่ถูกจุดก็มันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เส้นทางของสิ่งนั้นเราก็สามารถจะแก้ไขได้การศึกษาธรรมะก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ละคนให้รู้จักตัวเราถูกต้องให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเรา ให้รู้เหตุของสิ่งนั้นและให้รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรเนี่ยตัวสาคัญมันอยู่ตรงนี้เราจะเรียนกันสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ผลที่สุดก็ามารวมอยู่ที่ตัวของเราเพื่อให้รู้จักตัวเราถูกต้องรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเรากุศลหรืออกุศล เกิดขึ้นในใจเราแล้วมันเกิดมาจากอะไรให้อะไรแก่เราให้ร้อนให้เย็นให้สุขให้ทุกข์ให้อะไรแก่เร า, ร เ, ร เ, ราเราต้องรู้รู้แล้วก็คิดแก้ไขเกิดตัดเทศของสิ่งนั้นให้หายไปถ้าตัดเทศไม่ได้มันก็เกิดต่อไปเหมือนญ้า เกิดในสนามหญ้าแต่เป็นหญ้าที่เราไม่ต้องการในมันเกิดเราก็ต้องขุดรากให้หมดเอาไปเผาไฟ้ะหญ้านั้นก็ไม่เกิดต่อไปในตัวเรานี่ก็เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้น แล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เกิดแล้วเกิดอีกไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นจึงเกิดปัญหากันบ่อยๆแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้รู้จักสิ่งนั้นรู้คุณรู้โทษ ของสิ่งนั้นอย่างถูกต้องแล้วก็แก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาสติคือความรู้สึกปัญญาคือความรู้เท่าต่อสิ่งนั้นสติรู้ทันปัญญารู้เท่ามันมาด้วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาสติเป็นเรื่องที่ต้องเกิด ทันทีเมื่ออะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวทันทีพอรู้สึกตัวทันทีแล้วก็รีบแก้ไขใ้ปัญญาเป็นเครื่องแก้เรียกว่ารู้เท่าสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็หยุดมันไม่ดำเดินต่อไปแต่ถ้าเรารู้ไม่ทัน และปัญญาไม่มาช่วยแก้ไขเราก็แก้ไม่ได้มันจะเกิดติดต่อกันเป็นสายไปตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักตัดแต่ถ้าเราตัดเสียตรงตมีสติตัวสตินั้นตัดด้วยปัญญาต่อไปสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาบ่อยๆ ให้เห็นทุกเห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปส <Wow. S 1> มมติว่าเราเป็นทุกข์เพราะติดสุราเ mm hmm. มรัยก็เครื่องดองของเมาแล้วเราก็ไปดื่ม mm hmm. ดื่มแล้วก็เสียหายเพราะมันทำให้ขาดสติขาดปัญญาทำให้ สภาพร่างกายจิตใจไม่สมดุลขาดความถูกต้องทำให้เกิดความคิดเควการพูดไม่ถูกการกระทำไม่ถูกแม่เดินก็ไม่ตรงทางเจไปเจมาเดี๋ยวก็ล้มลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซแสดงว่า สมองทำงานผิดปกติการสั่งให้ร่างกายทำงานก็ผิดปกติมันเกิดขึ้นแก่ผู้ดื่มความคิดความอ่านก็ไม่ถูกต้องก็เกิดความเสียหายแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวขาดอะไรทำอะไรลงไปไม่เข้าใจ เราไม่เกิดพิจารณาเมาจนกระตั้งหลับไปเตินขึ้นก็เพิ่มความเมาอีกลายเป็นคนเป็นรูปเรียกว่าพิสุราเรื่องรังแก้ไขยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับคนที่ตั้งใจจะแกะะ้ไข <c oughs> ก่อ <c oughs> นที่จะแก้ไขนั่นก็ต้องรู้ว่าทูราให้โทษแก่เราอย่างไรให้ความทุกข์ให้ความเสียหายแก่เราอย่างไรแล้วก็คิดจะแก้ไขพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็แก้ได้ มันอยู่ที่ว่าใจเรามีความเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ถ้าความเข้มแข็งไม่เพียงพอเราก็แก้ไม่ได้ยังต้องฝึกให้เข้มแข็งอันนี้ทำคนเลี้ยงก็ทำไม่ได้เราจึงต้องก้าวใกล้คนฉลาดคนที่มีความเข้มแข็งในจิตใจเพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้เตือนใจเราไม่เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบจูงความคิดจิตใจให้เห็นหันไปในทางที่ไม่เหมือนเมาต่อไปไม่เท่าใดก็เลิกได้พอเลิกได้แล้วก็สบายไม่มีสิ่งนั้นมารบกวนให้เกิดปัญหาต่อไป แต่ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษยังพอใจอยู่แม่จะควังพระเทศพระสอนแต่มามาแย้งอยู่ในใจว่ามันยังดีอยู่ยังได้ประโยชน์อยู่อย่างอิมก็ทิ้งไม่ได้เพราะยังรักมันยังพอใจในมันแต่ถ้าเมา่ใดเราเกลียดมันเหมือนกับเบียดตัวใส่เดือนกิ้งคืออะไรอย่างนั้น ก็ไม่อยากจะเ้ากลายต่อไปเลิกได้เด็ดขาดคนที่เลิกได้เด็ดขาดก็เหมือนกับเกิดใหม่มีชีวิตใหม่เดินไปในทางของพระพ้นจากภัยอันตรายด้วยประการทั้งปลกก็มีอยู่เหมือนกันคนที่เลิกได้แล้วก็สบายใจมีความสุขในชีวิต แต่คนที่เลิกไม่ได้มันก็ตกนรกต่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปชีวิตไม่เกาวหน้าเพราะไม่เห็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็ไม่ได้พิจารณาว่ามันให้ทุกข์แก่เราอย่างไรให้โทษแก่เราอย่างไรก็ไม่เลือกจิตใจตกต่ําอยู่ในสิ่งนั้นต่อไปในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกัน เช่นว่าคนติดการพ น, นันชอบเล่นหวยซื้อหวยซื้อเบอร์เสี่ยงโชคกันไปเรื่อยๆไม่ค่อยจะถูกหนานๆเขียดกันไปน้อยถูกสักทีได้นิดหน่อยแต่ว่าคิดถึงว่าไอ้ที่เสียไปตั้งแต่เริ่มเล่นเสียไปเท่าไหร่ ได้มาเท่าไรมันก็ไม่คุ้มแต่ไม่ค่อยคิดพอได้แล้วก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจพระท่านยังบอกว่าเมื่อชนะก่อเวรก่อเวรหมายความว่าเพิ่มความอยากให้เกิดขึ้นในใจเพิ่มการกระทาให้เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเรียกว่าก่อเวรเมื่อแพ้ก่อเสียดายรับย์ทีู่ญเสียไป คิดจะแก้ตัวซื้อใหม่หลวงวดนี้เอาใหม่แล้วก็ไปเที่ยวสอบเที่ยวถามที่นั่นที่นี่ไปวัดไปวาก็แอ บ, บถามพระพระท่านไม่รู้ครับแต่รู้ไม่ต้องบอกโยมซื้อเองก็ได้จะได้มีสตังมาทำอะไรบ้างแต่ไม่รู้ แต่ว่าโยมไปถามก็อบอกส่งเดชไปไม่ไม่ไมค่อยถูกหรอกแต่โยมไปตีความเอาเองคิดเอาเองแล้วก็ไปแพ้อีกต้องจำนำข้าวจำนำของเงินทองไม่ค่อยจะมีตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ล่มจมเสียหายประเทศเรานี่การพนันชุกชุม คนจึงตกอยู่ในสภาพยากจนเพราะไปเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้ความจริงการพนันนี่ไม่ใช่สมบัติของคนไทยคนไทยเราดั้งเดิมไม่มีนิสัยการพนันไม่มีศัพท์ที่ใช้ในการพนันวัตถุที่เล่นการพนันก็เป็น วัตถุที่มาจากต่างประเทศไม่ใช่ของเดิมของเราเราเอามาจากต่างประเทศชาวต่างประเทศมาเมืองไทยแล้วก็นำไอ้ิอกนั่นมาด้วยเอามาเล่นกันเองแล้วก็คนไทยไปเห็นก็ฝึกเล่นบ้างเป็นลูกเสร็์ลูกเสร็์กลับเสียหายกว่าอาจารย์ เราเล่นมากกว่าไม่ทํามาหากินมอแต่เล่นการพนันเลยเสียหายมากมายไกลกองให้สังเกตดูวัตถุการพนันทุกอย่างไม่ใช่ของเดิมของเราของต่างประเทศทั้งนั้นแต่เราเอามาเล่นจากเมืองจีนบ้างจากฝรังบ้างจากที่ไหนที่ไหนเอามาใช้เอามาเล่น เลยเสียหายแก่ชีวิตการงานเป็นคนลำบากยากจนแล้วก็แปร่หลายทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันนบน้าท่วมบ้านแพร่ไปหมดทั่วถึงกันคนอยากรวยเรอการพนันแต่หารวยไม่กลับล่มจมจากการพนันขายนาขายสวน ขายทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดเนื้อหมดตัวบางคนมีเงินมีทองจากการสะสมของพ่อแม่แต่ว่ามัวเมาในการพนันเสียหายหมดขายหมดไม่มีอะไรเหลือตัวอย่างเยอะเมืองใหญ่ๆมีเยอะกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาภูเก็ตล่มจมเพราะเรื่องการพนันไม่มีมาก อย่างใหญ่มากมีทัวไปแต่คนไม่ค่อยเอาอยากไม่เอามาพูดมาคุยกันเพื่อให้เห็นทุกเกณฑ์โทษแต่พูดแต่เรื่องสนุกเรื่องเล่นเปิดบ่อนที่นั่นที่นี่บ่อนเมืองไทยไม่มีแต่ไปเปิดต่างประเทศใกล้เมืองไทย เชนว่าทางเหนือก็ไปเปิดก็เรียกว่าติดกับประเทศไทยอยู่กลละฝั่งแผ่นที่เขาเรียกว่าท้องอะไรแผ่นดินตรงนั้นมันมีแม่น้ำกันนิดเดียวแล้วไปเปิดใหญ่โตก็คนไทยน่ไปเล่นไม่ไม่จะ ใ, ใครดีไหน ที่ระนองก็มีเกาะอยู่ในทะเลคนก็ไปเปิดที่ไหนคนไทยไปเกิดเปิดนักการพนันเมืองไทยไปเปิดแล้วคนไทยก็ไประนองเรือบินไประนองเต็มลำทุกเที่ยวไปลงระนองแล้วก็ลงเรือไปที่เกาะไปเล่นการพนันกลัแบบมาหัวเราะบ้างหน้าเศร้าบ้าง เสียใจบางคนก็ไปถึงนูนมาเก้าไปเล่นขากลับก็แพ่บ้างชนะบ้างคนไทยอยู่อเมริกาก็บันสุกนี่ก็ต้องขับรถไปลาสเวกัสบ่อนการพนันใหญ่ที่นั่นทะเลทรายไม่เถอะแต่พัฒนาอะไรมันก็ไม่ ไ, ได้เลยพัฒนาบอนการพนัน ให้คนไปเที่ยวไปสนุกไปโรงแรมใหญ่มีการพนันถูกไหมพอลงเรือบินก็เจอการพนันแล้วเอามาวางไว้ใครไปโยกเล่นก็ได้โยกแล้วมันก็ออกมามันคลื่นพอใส่ตะตังไปโยกมันคลื่นหายไปเจ็บใจใจอีกคลื่นหายไปไอ้ยักษ์ตรงนั้นมันมียักษ์ยักษ์มันเอาหมดแล้ว เก็บใจแดี๋ยวไปไปเอาใหม่เอาใหม่ฮะนาซ้าวไปตามตามกันตั้งตัวไม่ได้คนไทยอยู่อเมริกาถ้าว่าขยันตำมาหากินไม่เล่นการพนันนี่พอเอาเงินดอลลาร์กลับบ้านได้แต่ถ้าเล่นการพนันแล้วก็ล้มทุกข์ไรมาไม่ไปไม่รอดล่มจมเสียหายบีดมีเยอะแต่ก็ยังชอบ ผีีการปนันในมันแรงชวนให้ไปเล่นไปสนุกกันแม่จะถูกมันเตะมันถองก็ทนเนาทนกับสู้กับมันต่อไปนี่รายมากพระพุทธเจ้าทรงติเตียนและก็บอกไว้ว่าเป็นทางเสื่อมของทรัพสมบัตริสรกุลเสียหาย ปรากฏอยู่มากมายก่กล้องล่มจมกันไปตามๆกัหนังซื้อพิมพ์ไม่ค่อยลงข่าว<ม>เรื่องนี้ลงข่าวบ้างคนจะได้อ่านจะได้เกิดความคิดผีมันมีหลายๆตัวผีชอบเที่ยวกลางคืนไปตามบาร์สถานท่องเที่ยวยามราตรีมีเยอะแยะ คนก็ไปเที่ยวไปสนุกคนปัญญาอ่อนดั้นนั้นที่ไปเที่ยวอย่างนั้นคนมีปัญญามีการศึกษาดีมีคุณธรรมประจําใจเขาไม่ไปเพราะไปแล้วมันเสียหายแต่คนที่ปัญญาอ่อนไม่มีปัญญาพอที่จะคิดว่าไปทําไมไปเพื่ออะไรไปแล้วมันได้อะไร สิ่งที่ได้นั้นมันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตหรือไม่าคิดไม่ได้พอเย็นก็ไปพอเย็น้าไปไปติดเป็นนิสัยชอบเที่ยวชอบสนุกแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เงินทองหมดไปชิ้นไปการงานก็เสื่อมไปความเป็นอยู่ก็เสือ่อมลงไปตลอดเวลา พวกเดี่ยวกลางคืนนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่รักษาตัวไม่รักษาทรัพย์ไม่รักษาครอบครัวมัดถูกใส่ความมัดถูกทำร้ายเหลือๆตำรวจกวาดไปโรงพักกวาดไปบ่อยๆโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหนุมน่มๆสาวๆก็ไปสนุกกันไปกินยามาก กินเมียกินเหล้าเมาแล้วก็ไปเที่ยวเหลียวไหลหาลูกหาไปใส่ตัวเสียผู้เสียคนมีกันมากบางท่องที่เกามากตำรวจกวดขันมันขัดผลประโยชน์มันเอาระเบิดใส่รถมาจอดเก่า รถเสียหายไปหลายคันรถตำรวจยุบยับเสียหายเพราะขัดประโยชน์พวกนี้มันต้องปิดเบ้างหรือว่ารถอหไมันน้อยลงไปบ้างเพื่อประเทศชาติจะได้เกาหน้าเวลามีงานมีการตามวัดต่างๆ มักจะมีการพนันเขาเรียกว่าประเภทสองการพนันประเภทสองให้ตอนคนช้างบ้างตอนคนหมูบ้างสอยกันระพลึกมีของมาวางไว้พวกก็ไปสอยไปเล่นของมันน้อยเสียตังแล้วสอยแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ก็อยากจะเสี่ยงโชค ไปเล่นกันสนุกกันเสียตังสนุกในการเสียทรัพย์ไม่ใช่ความสนุกที่แท้จริงเป็นความสนุกที่ทําลายตัวเองทําลายทรัพย์สมบัติทําลายการงานให้เสียหายไม่ควรจะมีทําวัดเวลามีงานไม่ควรมีแต่เรื่องมันจะเอาสตังหาเงินเข้าวัด แต่หาในทางที่ส่งเสริมความเสือ่อมความเสียหายไม่ถูกต้องควรห้ามไม่ให้กระทำเช่นนั้นเพราะว่าเงินที่ได้มามาก็ต้องจ่ายหมดสิน้นมีงานหลายๆคืนคนก็มาเที่ยวทุกคืนได้เงินไม่เท่าไรเพราะว่าต้องจ่ายมาก <c oughs> จ่ายเรื่องอะไรต่ะไรหัดไปหัดมาก็ได้สักแสนหนึ่งมี ห, าห้านาคเกินได้เงินแสนมันไม่คุ้มคิดในรละเอียดแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าเวลาค่านั่นค่านี่ไม่คุ้มแต่ว่าคนไทยนี่ทําบัญชีไม่เป็นไม่ทําบัญชีเอาแต่เรื่องได้เรื่องเสียไม่คิด แล้วก็ไม่ใช่เสียแต่ในวัดคนข้างวัดปลอยเสียหายปลอยกระทบกระเทือนเราว่ามาเที่ยวกลางคืนกลางวันก็ทำงานไม่ได้ขาดทุนทางเศรษฐกิจยุบยับแต่ก็ทำกันอยู่บางวัดก็ทำมันตั้งสองอาทิตย์มีงานสิบห้าวันสิบห้าคืนวัดนาวเลย เหม็นข้าวภาในวัดเหม็นแต่เขานิมนต์ว่าให้ไปเทศงานวัดในหลวงพ่อไม่ไปไม่ได้เรื่องคนมันไม่ได้สนใจมันจะไปเที่ยวเสียเวลาไปเทศเปล่าๆไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเขานิมนต์ว่ า, าไปเทศไม่มีงานานัดคนมาฟังเทศได้ไม่ไม่ยุ่งไม่ฟุ้งซ่าน เราก็ไปติดให้เขาฟังอย่างนั้นได้แต่ตามนี้เหมือนงานฝังลูกนิมิตเนี่ยไม่อยากไปถ้าทําแบบสนุกสนานแล้วก็ไม่อยากไปเพราะว่าคนไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะสนใจแต่จะปิดทองลูกนิมิดถือว่าได้ปิดทองลูกนิมิตเจ็ดวัดแล้วไม่ตกนรกอันนี้ถือผิดไม่ถูกต้อง มันจะช่วยให้ตกไม่ตกนรกได้ความจริงวัดควรจะทำงานเพื่อให้คนมาวัดเพื่อศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาไม่ได้เรื่องทำกันอย่างนั้นเกิดความเสียหายด้วยระการต่างๆแล้วก็มีวัตถุแลกเปลี่ยนไปทำบุญก็มีวัตถุแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญบ้างเป็น พระพุทธรูปบ้างผ่ายันบ้างไอ้นู่นไอ้นี่ทำกันมากมายเป็นสินสินค่าแลกเปลี่ยนคนอยากได้ก็ไปซื้อมาซื้อมาไหว้กับเนื้อกับตัวซื้อมาด้วยความงู้ดังนั้นไม่ได้ฉลาดปราดเพืองอะไรสิร่งเหล่านั้นก็ช่วยเราไม่ได้ <c oughs> แต่อาศัยการโฆษณา โคศกประจําวัดเนี่เป็นคนพูดจาพูดจาหลอกลวงเก่งโ อ, อย่างนั่นอย่างนี้จนคนสนใจไปซื้อไปหาใครไปซื้อก็ประกาศชื่อคนนั่นบริจาคเงินเท่านั่นได้วัตถุนั่นไปคนก็ได้ยินแล้วก็อยากทําทบ้าน <c oughs> เรียนแบบคนเรามันชอบเหรียนแบบคนอื่น เห็นคนอื่นทำอะไรก็เรียนแบบ <c oughs> ก็ทำกัน <c oughs> โฆสนาทนไปถ้ากำไรเกินควรราวัตถุเหล่านั้นราคาไม่เท่าไหรแต่ว่าเอากำไรให้ลงเลขเก้าไว้99าทิบาบาทร9 9บาท299รบบาท เรียกว่าตั้งพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบทให้ลงเก้าไว้ถือว่าเลขเก้านั้นเป็นมงคลไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เป็นมงคลแก่ชีวิตอะไรตัวเลขไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าคนไม่รู้หลงไหลในคำโฆษณาก็ไปทำ พระพุทธรูปก็ชื่อแปลงแผลงชื่อให้มันตื่นเต้นแต่พระพุทธเจ้ากลับมาเกิดคงจะจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ว่านี้มันถืออะไรกันเ้่มันไม่แจกคาสอนของข้าสักหน่อยหลงข้าวใจปิดเรามีแต่เรื่องแปลงแผลงองละมืนพระองค์นิดเดียราคาตั้งไป ทุนไม่เท่าไร่จ้างก็ทําไม่เท่าไร่แต่ว่าขายแพงให้คนซื้อบ่ายกับบ้านบ้างเอาไปบรรจุเจดีย์บ้างใส่ไว้ในเจดีย์เพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาไปใส่โฆษณาให้คนเอาไปบรรจุกันทําพิธีบรรจุกันคนนั้นซื้อบรรจุคนนี้ซื้อบรรจุ เ, เรียกว่าทําด้วยความ หลงไหลมอมอ ง, มองไม่ได้ไม่ได้ปัญญาไปทำได้ไงวัดได้สตังสตังที่ได้มาจากการกระทําแบบงู้งู้หลวงพ่อรังเกียจที่สุดไม่อยากได้ไม่อยากได้จากโยมเพื่อเอามาสร้างอะไรอะไรจะสร้างอะไรก็ บอกโยมตรงไปตรงมาว่าจะสร้างอะไรเพื่ออะไรมันจำเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่มีของแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนให้โยมหลงไหลหมอบมอ ง, มองให้ทำเพื่อประโยชน์จริงจังทำเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องก็ทำมาอย่างนั้นตลอดมา <c oughs> ไม่ได้สร้างพระ ไม่ได้ทำเหรียญอะไรแจกไอ้วุ่นวายมอสร้างโรงพยาบาลพวกกรมชนก็ทำเหรียญขึ้นหน่อยเหรียญแจกคนทำงานทำเงินเท่านั้นคุณให้ประเทศตัาแจกเราทำกันแต่ว่าหลวงพ่อไม่ค่อยชอบไม่พอใจหมดแล้วแจกหมดแล้วก็ไม่ได้ทำต่อ เพราะว่าไม่มีนโยบายแบบนั้นไม่มีนโยบายที่จะทำคนให้หลงให้หมอมเมาในวัตถุแต่ต้องการให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องของธรรมะจึงพยายามให้ธรรมะเป็นเครื่องตอบแทนให้นังสือไปอ่าน ในหนังสือนั่นก็พูดแต่เรื่องให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจไม่มีปาฏิหารไม่มีของที่ประหลาดมหัศจรรย์เพื่อให้คนเข้าใจผิดหลงไหลมบมเมาในเรื่องนั้นเพราะการกระทําเช่นนั้นผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมเรื่องปาฏิหาร มีอยู่คราวหนึ่งท่านเศรษฐีคนหนึ่งเอาบาตเล็กๆไม้จันไปไหว้บนยอดท่งสูงแต่บอกว่าใครมีฤทธิ์มีเดชให้เอาบาตไม้จันนั้นลงมาพระท่านมีฤทธิ์หลายองค์เหมือนกันคือว่าฝึกจิตจนมีฤทธิ์นี่ก็มีแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ทำมีพระบอกไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจะเหาะขึ้นไปเอาบาดไม้จันไปนั้นลงมาพระบอวาอย่เธ อ, อย่าทำเช่นนั้นเพราะการกระทำเช่นนั้นมันเป็นของไม่จริงไม่ใช่ของแท้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ห้ามไม่ทำ ปาฏิหารในธรรมมีสามเรื่องเราเรียกว่าอิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทำคนเดียวให้เห็นเป็นหลายคนได้บังตัวได้หายตัวได้อะไรเงี้ยลอยไปในอากาศก็ได้เป็นเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหารอย่างหนึ่งอาเทศนาปาฏิหารดักใจคนได้ ตายใจคนได้ใครคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรตายใจได้แล้วก็อันสุดท้ายว่าอานุศาสนีปาฏิหารสอนคนเก่งเอาอันเดียวพระพุทธเจ้าสรรเสริญอันเดียวคืออนุศาสนีปาติหารสอนคนให้เข้าใจเหตุผลให้มีปัญญาให้มีความเข้าใจถูกต้องอันนั้นเอา อที่ปาฏิหาริมมันจะเป็นการเล่นกลคนในอินเดียเล่นกลเก่งเอาเชือกโยนขึ้นไปแล้วก็ตายเชือกขึ้นไปได้เล่นกลเยอะปาหีบ้านเราเรียกว่าปาหีคนจีนเตี่ยวตอนควันก็เพ่งแชงจงนุปปเล่นปาหีให้ดูแล้วก็ ตอนฟันก้น แ, แค่่อะไรต่างๆก็ทำกันอยู่กายโกเอียเอาไปติดแปลเล่นกลมีเยอะพระเราถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็เหมือนพวกปาฮีไปพระพุทธเจ้าไม่ให้กระทำห้ามเด็ดขาดไม่ทำอาเทศนาปฏาิหารดักใจคนได้ก็เป็นการเล่นกลนเหมือนกันไม่อนุญาต ให้ทำอย่างเดียวว่าสอนคนให้เข้าใจความทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์ดับทุกข์ได้และทางปฏิบัติได้ถึงความดับทุกขนะ์ให้ทำอย่างนั้นอย่างอื่นไม่เอาเดี๋ยวนี้ อ, อวดปฏิหารกันเยอะหลวงพ่อนั้นเก่งอย่างนั้น <Okay. S 1> หลวงพ่อนู่นเก่งอย่างนู่นเก่งอะไรเก่งเอาตัวไม่รอด ทำให้คนหลงให้คนงมงายมันมีหน้ามา้าคนที่ไปนั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อเป็นตัวใหญ่ตัวเชิดเชิดหลวงพ่อหลวงพ่อตันไมมก่อยรู้อะไรตันอยู่ยเฉยเฉยเฉยอพวกนั้นมันเชิดเสกหลวงพ่อไม่ใจหลวงพ่อเสกคนแต่คนเสกหลวงพ่อ เสกล้หลวงพ่อขลังให้หลวงพ่อหย่งนี้ี่ไปเที่ยวโฆษณาคนก็หลงไหลไปว่าหลวงพ่อนั้นเก่งนะาจริงไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็ไปหาไปซื้อของมากมายไก่กองโฆษณาลงหนังซื้อพิมพ์ประจําวันหน้าหลังนะยมเห็นหน้าหลังหลวงปู่นั่นหลวงพ่อนี่อย่างนั้นอย่างนี้เก่งได้านั้นวิเศษเท่านั้น ตายทั้งนั้นมันได้อยู่ค้ำคว้าสักองเดียวแล้วบางทีผู้ไร้ไปจี้หลวงพ่อด้วยนะไปจี้หลวงพ่อหลวงพ่อก็นอนปัมเฉยผู้ร้ขนของหมดกุฏิแล้วทำไมไม่เสกไก้ผู้ร้เป็นหมากี่เลื่อนมัง อ, อไอ้นี่มันมาปล้นขาขาเสกเป็นหมากี่เลื่อนนะอ่ะใช่ได้ ถ้าทำอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะไปกราบหน่อยแปบลบว่าเก่งเสกขโมยให้เป็นหมาขี้เรื่อนไรแต่มันทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นการกระทำเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าใจผิดเท่านั้นเองทำกันแพร่หลายพระที่ทำเรื่องอย่างนี้ก็พูดแก่ตัวมอนกันคือพูดว่า ไม่ทำอย่างนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างโบสถ์แล้วมาสร้างวัดละนี่คือความเข้าใจปิดตั้งฐานไว้ปิดตั้งฐานอยู่ที่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์่คือตั้งปิดไม่สอนคนให้เข้าใจธรรมะคนก็มีความเชื่อในแนวนั้นแต่ถ้าเราตั้งฐานได้ถูกต้อง ไปถึงก็สอนคนก่อนสอนคนให้เข้าใจเรื่องอะไรถูกอะไรปิดอะไรเป็นอย่างไร mm hmm. เทศในเขาเข้าใจเขาเอาไปปฏิบัติเขาจะเขาเป็นสุข mm hmm. มีความสบาย mm hmm. เขาเห็นประโยชน์ของพระธรรม mm hmm. กแล้วก็รู้ว่าเราได้ธรรมะจากพระองค์นี้ใครจะปล่อยให้พระนั่งตากฝนอยู่ นางอาบแดดอยู่แล้ก็ต้องสร้างให้อยู่เองสร้างปุตติให้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้สบายเราไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องแจกดีกาบ่อยๆไม่ต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายก็ทําได้ทํามาให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วหลวงพ่อทํามาอย่างนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่อยู่สอนธรรมะเทศอย่างเดียวสอนไปสอนไป เรื่ยสอนในที่ง่ายๆเห็นไปอยู่เชียงใหม่ก็โรงมุงไบตองทำให้ง่ายคนมาฟังกันเต็มสอนไปสอนไปคนมันมากขึ้นมากขึ้นเขาคิดกันเองว่ามันไม่ไหวแล้วมุงตองสร้างถาวรเยเขาก็ไปสร้างหลวงพ่อไม่เกี่ยวชาบ้านสร้างกันเองสอนไปเทศเรยกไป เขาก็ทราบเสร็จแล้วเขาก็จะหลองอะไรไปตามเรื่องเราไม่ไม่ยุ่ง <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรสอนธรรมะไปอยู่ไหนก็สอนอยู่วัดนี้ก็เหมือนมาถึงก็เปิดสอนธรรมะสอนในศาลาคนนั่งกันมากขึ้นมาคือเต็มศาลาอ้าวไม่ได้แล้วต้องาวางแผนต้องสร้างโรงเรียนตรงนี้ บริเวณทำเป็นสวนร่มรืน่นให้คนมานั่งฟังทำสบายๆแล้วก็เริ่มลงมือทำคนเอาเงินมาให้ได้เงินจากลอตเตอรี่มาสองเสนเออสามเสนจอมพลถ น, น, นอมให้เอามาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมได้มาใช้ยอยู่นี่มามาใชา้ได้รับความสะดวกสบาย สำหรับสอนธรรมะแล้วก็ทำอะไรทำโรงเรียนก็เหมือนกันไม่มีอะไรนอกจากพูดให้รู้ว่าจำเป็นต้องฝึกเด็กให้เข้าหาธรรมะคนก็ช่วยเขามาช่วยสร้างให้สร้างโรงพยาบาลก็เขามาช่วยไม่ต้องทำอะไรได้เงินคนไว้ใจ เพราะเขาได้รับประโยชน์จากธรรมะมานานแล้วจะทำอะไรเขาก็เอามาให้เขาไว้ใจก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหาหลวงปู่หลวงพ่อไหนมาช่วยเสกช่วยปลุกปลุกคนเดียวหลวงพ่อเสกคนเดียวเสกอย่างนี้เสกทุกอาทิตเสกทุกวันพระเสกตางวิทยุเสกตางโทรทัศน์คนมันก็ได้ประโยชน์เข้าใจ แต่ว่าไม่มีใครเอาอย่างชอบทำแบบเด็กอมมือชอบทำคนให้หลงให้มอเมากันประมาทกันทำเหมือนกันหมดตั้งแต่หัวแม่มือจนถึงนิ้วก้อยแล้วจะไปอย่างไงทำกันอยู่อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องน่าจะเลิกเสถียประกาศเลิกเปลี่ยนนโยบาย พัฒนาวิธีการให้ธรรมะที่ให้ถูกต้องให้เป็นไปเพื่อความมีปัญญามีความฉลาดในเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องก็ทำได้แต่ไม่กระทำอือนกับวันปีใหม่เนี่ย<ง> ส, งอสอง่งสกศลองพ่อก็ได้รับสองสามะบอกสกศออไม่มีอะไร ในวาระดีทีปีใหม่ขอคุณประสีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนละลูกจงดลบรรดาให้ท่านมีความสุขตลอดปีคิดดูมันจะสุขขึ้นได้อย่างไรที่เขาให้พรมาอย่างนั้นมันจะสุขขึ้นได้อย่างไรแล้วึ พระตนกไกลจะมาดลบรรดาให้เราเป็นสุขได้อย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากละลุกลมันอยู่ที่ไหนไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วจะมาดลบรรดาลเราได้อย่างไรให้พรแบบคนปัญญาอ่อนกับทั้งนั้นให้ก็ะเยองนั่นเต็มขายราคาก็แพงด้วยบาทสอกสอสอันหนึ่งมันก็หลายบาทไม่ได้เรือ เลยพัฒนาว่าเทศพิมพ์เป็นเล่มส่งสคศก็พิมพ์ให้โยมซื้อไปแจกเล่มละกี่บาทไหมครับแปดบาทความจริงหน้าจะสิบบาทไม่ต้องทอนลำ บ, บาก <c oughs> คนก็ซื้อไปแจกกันพวกนักพวกนักการเมืองก็ได้รับสคอศออแบบนี้กันตั้วถึง คนมันส่งไปให้ส่งถึงนายกถึงรัฐวนลทีนั่นเขาได้ได้รับกันแล้วได้รับกันคนละหลายเล่มมีคนส่งหลายคนไปงานดีกว่าในหลวงท่านก็ส่งซอขอซอดีเหมือนกันมีอยู่ตอนนั้นแต่ว่าอะไรใจหายใจฟ่มหายใจยาวๆวสู้ต่อไป แต่ก็สอนเหมือนกันว่าก็เราบางทีมันก็ใจหายใจฟัม่มแต่ว่าหายใจยาวๆไว้ก็ว่าช่วยตัวเองด้วยหายใจยาวว่ามีอะไรตกใจก็หายใจยาวก็หายใจยาวนี่ตั้งตัวได้เช่นใครด่าเราเราหายใจยาวถ้าเราไม่โกรธ <c oughs> ถ้าโกรธขึ้นมาหายใจยาวๆหายกรธ เป็นทุกข์ายใจยาวๆก็หายสุดแล้วก็สู้ต่อไปคือสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยเดยรัจฉานวิชาสู้แบบเดรัจฉานคือชกต่อยกันเมื่อคืนดูตระทัดแม่อุตริไม่เข้าเรื่องเอาหมามากัดกันมันกัดแล้วมันไม่วางกาดไอ้คนก็โห ไอ้พวกปัญญาอ่อนไนะ่ปในโอคนะ้คนมีจะตังค์แตงั้นนะเพราะหมานั้นราคาตัวละตั้งหมื่นหมาเมกกันเอามากัดกันไม่เข้าเรื่องทรมานสัตว์สัตว์มันไม่อยากกัดกันแนละ้วแต่เราไปให้มันกัดกันทำไมแล้วมันกัดกันอย่างคารุนนะกัดไม่วางกัดถูไม่วาง กัดปากไม่ว่ากัดก็ตรงไหนควัดควัออกควัดควดันั่งดูดูเปล่าหมทยตารุนจริงๆคนเราเนี่เป็นมนุษย์บางทีมันก็จิตใจมันต่ำต่ำความหมาที่กัดกันเสีย อ, อีกเลยสัมมาทรมานสัตว์มันมั น, ม, น, ม, นมันเรื่องนอะไรตำรวจน่าจะจับไปคนผมนไม่สมควรเขาก็แอบทำกัน ตำรวจบางทีก็มาดูเหมือนกันมาดูไม่จับมาเป็นอยังไงมันมันไม่เกี่าวเรื่องเล่นนี่ก็พนันนะครเล่นพนันกันเอามากัดหมาไม่รู้ไม่ชี้เอามาให้มันกัดกันเล่นกัดกันหลายตัวทารุนสัตว์ไม่สมกวดตีไก่นี่ก็ทารุนมาก เอามามอมหน้าไก่ให้มันผิดแล้วปล่อยให้มันไตไก่คู่หนึ่งมันตีกันทั้งสองชัวง่วโมงมันไม่ยอมหัวซ่อนตายตีกไปวนไ ป, ไปโปรมาเตยโรมาไต ย, ตยหน้าตาบวมปูดในตาปิดเป็ดแล้วมองไม่เห็นเอาเฉือบออกได้เย็บปิดตาไว้ แล้วไอ้ตัวหนึ่งด้วยเดือยมันยาวยนะมาแแ่งลูกตาเลยโอทรมานมีคนคนหนึ่งที่สงกราบแก่ตัวลงตาบอดแกคนมาวัดนั้นถือศีลประจำแต่ว่าตอนถือศีลแกเลือกแล้วเลยถามโยมพอรู้ได้ไหมว่าตาบอดเพราะอะไรรู้ครับรู้ครับ มาเรื่องอะไรที่โยมตาบอดเนี่ยอ๋อผมเมื่อสมัยก่อนนี้ชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เป็นคนให้น้ำไก่ไปเป็นเหียกว่าให้น้ำชนไก่ตาบอดเขาเย็บดึงตาเพื่อนกับแทงเข้าลูกตาเจ็บเลือดไหลทามานานพอแก่ลงก็ตาบอดอย่างนี้แหละคบบาปกรรมที่เล่นกับไก่ ตาบอดนี่ไดนะอีกไลนหนึ่งก็อุบ่าศกเหมือนกันมาวัดแกมีแผลที่ตาตุ่มเป็นแผลขนาดนี้ก็รักษาไม่หายสักทีวันหนึ่งเดินไปในกลางบ้านไก่อูไก่ไก่ไก่ไก่อูตัวใหญ่บินมาถึงจิกที่แผละนะ่ะจิกเอาจิกเอา แกไล่มันก็จิกจิกจนเลือดไหลแล้วกลายเป็นบาดทยักสองคืนตายบอกเฮ้ยชื่อโยมนาศบอกเฮ้ยยมนาตายเพราะอะไรเขาบอกกายตีโอไอ้ไรไกยตีคนจนตายมีอย่างที่ไหนเขาแกมีแผลอยู่ที่เท้าแล้วก็เดินไปในหมู่บ้าน ไก่ตัวหนึ่งมันพุ่งมาถึงจิกเขาจิกเขาเหมืน Chad, น Thirty อนกับโกรธกรรมกี่ชาติก็นไปรึจิกจนเลือดไหลแล้วเป็นบาดทะยักไม่ไปหาหมอตายนี่ก็นักเลงไก่เหมือนกันตายแล้วคนที่เล่นไก่มากๆเวลาป่วยไก้ตายตีกระดิ๊ไปตีเอ้าเอ้าเตีกันดิเอามือตีตีก็จนเลือดไหลอ่ เอาไม่ทำอย่างนัา อ, อันนี้มันมันชอบชนไก่เมื่อสมัยมีชีวิตนมๆชอบตีไก่อันนี้เวลากล้จะตายนี่ใจมันนึกถึงไก่พอ น, นึกถึงไก่เอามือมาตีกันตจนเลือดไหลบาปเวนีนอย่าเน้กว่าไอ้กรรมเวร น, นี่มันไม่มี ม, มันมันมีมันให้ให้ให้ผลมาให้ผลไอ้คนหนึ่งชอบ ฆ่าควายลักควายมาก็เอามัดเชือกฆ่าขายขายเนื้ อ, อวันนั้นไปลักควายมาตัวมาเอาซ่อนไว้ในป่าข้างบา้านมากินข้าวก่อนแล้วจะไปฆ่าพอกินข้าวเสร็จลงไปก็จับเชือกเอาไปมัดกับหลักกับต้นไม้มัดกับต้นไม้ยังไม่ทันมัดเรียบร้อยควายฟิดฟิดถูก ถูกท้องพุ่งไส้ไหลเลยร้องเหมือนกับเสียงควยายตายตายอยอบ้านวิ่งไปดูโอ้ตายแล้วลตายไหลตายถูกควายผิดตายเพราะแกข้าควายมาหลายตัวแล้วเลยสนองกำสนองถูกควายปิดตายที่บ้านตาอิฐเนี่ยบ้านตาอิดเป็นบ้านพวก อ, อิสลาม คนนั่นแกมีอาชีพฆ้าควายมีโรงฆ่าอยู่ในทุ่มได้ควายก็จูงไปที่นั่นฆ่ามันหนึ่งได้ควายถึกแกงแรงจูงไปฆ่าเป็นเดือนนี้เดือนอ ร, รมดรเดือนถือบทไปฆ่าแต่ยังไม่ถึงโรงฆ่าควายมันลุดแล้วมันเดินกลับมาในหมู่มันวิ่งมามาในหมู่บ้าน มาในมูบ้านไทยแต่เดินไม่ถูกนะคนไปเดินมันไม่มีระเบียบช่วงบ้านกุดไปกุดมาควายมันเดินถูกมันเดินมาจนถึงมัสยิดมัดสยิดอย่างนี้ประตูหลายประตูแถวหน้านี่พวกอาญีหัวหน้านั่งเป็นแถวแล้วก็มีพ่อของคนที่ข้าควายนั่งอยู่ตรงกลางเป็นหัวหน้านัน่งตรงกลาง ไฟมันมาเข้าตรงนี้เข้าประตูนี้ข้างน้าเข้านี่ยผ่านมาหลายคนมันไม่ผิดมากผิดไอ้คนตรงกลางน่ะคิดจนตายคิดตายแล้วมันก็ออกเลอาหารเตรียมไว้เพราะว่าเราถือบวชเขาไม่กินตลางวันเนี่ยกินกลางคืนอยากกินตอนใกล้จะรุ่งทําพิธีนะมันสการเสร็จแล้วก็จะไปกินกันไม่ได้กินวันนั้น รอหัวหน้าตายแล้วควายไปปิดต๊ะอาหารวิดถ้วยจานแต่แกงหกราดม่ไดไม่ได้กินกันแล้วมันก็ดนเดินไปเดินไปริมน้ำเดินไปก็ไปไต่สะพานสองแผ่นดิมน้ำน้ำหนักควายมันมากสะพานหักควายตกน้ำไปติดต่อไม้ตาย พวกมุสลิมก็กินเนื้อควายตัวนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้เชื่ อ, อเขาจะกินเนื้อเนื้อสัตว์ในต้องเชื่อตีงช่วยกันเชื่อจับมือจับไม้มาเรากรวดน้านนะอยากเอาเชื่อแล้วก็ถึงจะกินได้นั่งกินไม่ได้แต่ว่าเอาเนื้อไปขายได้คนนั้นตายทําไมถึงตายควายมันโกรธ ว, ว่าลูกชายในข่าพวกฉันมามากแล้ว เป็นหัวหน้ามัสยิตเท่ากับเป็นโต๊ะอิมามไม่สอนลูกเสียบั่งเฟิดมันเลยอ่าตายบาปเวนมีมีบ่อยๆ บ, บ, บางทีมีบ่อยเป็นกทําทำว่ามันก็ตามมาสนองก่อนอดลมหายใจอย่าไปทำอะไรที่มันให้ใ ห, ให้เดือดร้อนคนอนื่นทำแต่สิ่งที่ให้คนอื่นสบาย เราจะให้ความสุขแก er hmm. nee. being, er ica, hay, ่คนอื่นก็คือทาแต่จริงให้เขาสบายไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันด้วยวิธีการใดๆโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครเลิกเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกพยาบาทนาคาดจองเวรเพราะเวลาโกรธก็ไม่สบายเวลาเกลียดก็ไม่สบายเวลาพยาบาทคนอื่นก็ไม่สบาย ร่างกายผิดปกติจิตใจผิดปกติเพิ่มบาปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองหยุดช้ให้อภัยแก่กันและกันเป็นความสุขในชีวิตประจำวันความสุขมันเกิดเ่าเราทำตัวเราให้เป็นสุขอย่าทำคนอื่นให้เป็นสุขคนแนะแนวทางว่าควรจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะมีความสุขไม่ใจขอให้สิ่งนั้น ช่วยดน้นบรรดาลได้เป็นสุขมันเป็นไม่ได้ดน้นบรรดาลไม่ได้ไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าดน้นบรรดาลมีแต่ว่าให้ทุกคนทำให้ดีให้ถูกต้องแล้วจะมีความสุขความเจริญทำไม่ดีทำไม่ถูกก็มีความทุกข์ความแดดร้อนเป็นกฎธรรมดาให้เข้าใจอย่างนั้นแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาตยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีขอเชิญญาตยมยืนสำรมจิตแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัเพสตาอเวราอภยาปัชาอเนคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น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 ยองมีความสุข ก, กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด